มัชกรลยานางังปริโยสานะกรลยานางังที่ณนะบัดนี้จะได้อธิบายในการที่สวยงามของบุคคลผู้เกิดมาให้เราทุกคนจงคิดนึกตนของตนนั่นเอง ที่ยังไม่ท่านในรักษาให้ความงามของตนยังเป็นคนสุกปลกอยู่ตลอดกันมาจึงได้ขึ้นชื่อว่าหนทางของตนอันจะไปสู่สวรรค์นั่นมันยากบุคคลผู้ที่จะไปสู่สวรรค์บุคคลนั้นต้องเป็นคนงาม บุคคลที่จะไปพห ม, มโลกบุคคลนั้นต้องเป็นคนงามบุคคลที่จะเป็นคนเป็นหนักป่าผู้ฉลาดละเว้นความชัว่วดๆอันนั้นยังจะเป็นคนงามอธิการยานั่งงามในเบื้องตนหนึ่งคือศิน สินของเราไม่สุกภกสินของเราให้สะอาดสินด่างพ้อยสินสุกภกเหมือนเสือ้อผ้านุ่งไม่มีการซักฟอกกลิ่นเม้นสุกภกทุกรายการตลอดจนมันขาดชุดชยใย ต่ยังเป็นผ้านุ่งผ้าโฮมอยู่นี่สันในเรื่องการรักษาศีลของตนไม่สะอาดอธิการยาณังหรอ ง, งามในเบื้องต้นคือศีล น, นี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าศีลผู้สะอาดนั้นเขาเป็นคนที่รักษา ให้สมบูรณ์ตลอดในสินของตนสินกองวนสินเล่งเป็ดเล่งไก่สินเล่งหมูสินอยู่กับหลานสินพวกฝ่นทําการงานกับลูกเต่าล้านเหลการค้าการ ข, า, า, รขายการหาแหล่งใดการปลูกการฝัง การอะไรทุกไลยกัดอันนี้เป็วนว่าศีลมันช ก, กุบปลกศีลไม่สะอาดพอแต่ว่าชิกขบทข่าได้สัมมาทานเท่านั้นเองมันมีการรักษาให้ความสะอาดประการใดๆมันเหมือนกับเสื้อผ้านุ่งแล้วไม่มีการซักการผอไม่มีการรักษา ขมอมขมิ่งเมาเข้าไปทุกหลายอย่างทุกประการกินก็หม็นสีงามก็หายไปอันนี้เป็นเรียกว่าบุคคลผู้รักษาศีลจะของกก่าวขึ้นแล้วในบาตรกาถาในสิกขบทใดๆแล้วตัวจีของไม่รักษา ให้ความสะอาดประการใด ใ, ใ, ในธรรมะพจนพูดว่าอธิกะรยานั่งงามในเบื้องตนคือสินมาเชกะรยานั่งงามในธรรมการคือสมาธิตั้งจิตของตนและนึกถึงความดีของตนอยู่ตลอดไป ปริโยสานกรยาหนังงามที่ชุดคือปัญญาเราเกิดมาแล้วอะไรกันแล้วมีเกิดแล้วพูนว่ามีตายเันอันนี้เป็นมนใสรปัญญารู้จักกวะเสมอ <c oughs> มีสุขแล้วก็มีทุกขมีดีแล้วก็มีชั่วมีโง่แล้วก็มีฉลาด มีร่างกายแล้วก็มีใจมีใจแล้วก็มีบุญกับบาปอยู่ในใจเกิดมาเดียวนี้ก็มีเกิดกับตายเป็นอยู่อย่างนี้ในโลกมีชีวิตอยู่แล้วการทำความดีกับความชัว่วมีอยู่อย่างนี้ทุกคนตลอดไป ผู้มีปัญญาความคิดอ่านละเวนสิ่งเหล่านี้รู้จักตัวอย่างนี้ตัวของเรามีร่างกายอยู่แล้วสัมมาอาชีวะเลี้ยงร่างกายด้วยความที่ถูกต้องไม่เป็นมิจฉาชีวะมิจฉาชีวะแปลว่าเลี้ยงที่ของสุกปรกให้เจร่างกาย สัมมาชิวะเปลว่าเลี้ยงร่างกาให้ถูกต้องอันสะอาดไม่ชกปกหนึ่งไม่รักเขามากินสองไม่ฆ่าเขามากินสามไม่ซ่อกงเขามากินสี่ไม่ยักยอกเขามากินห้าไม่ล่อลวงเขามากินหกไม่มีวิ่งลาวกิน เย็ดไมมีการยิบยองกินเป็นคนที่กินด้วยสะอาดสองมืนเมาใดๆทุกอย่างไม่มีการที่ให้ร่างกาย น, นี้ดื่มประการใดอันนี้ระบุคคลผู้ที่รักษาปัญญาความคิดอ่านของตนรักษาจิตมันอยู่ในร่างกายอันนี้ <c oughs> มันจะได้รับความดีจะไม่ได้รับความชั่วคันตัวของเราไม่รักษาแล้วจิตต้องในถือความชั่วตลอดไปเพิ่มเติมความชั่วให้กับจิตตลอดไปความชั่วอะไรคือบาป ก, กรรมนั่นเองกุอักุชลาธรรมแปลว่าอคุศนกรรมเพิ่มเข้าในเรื่อยตลอดไปในจิตของตน อันนี้เพรว่มมามันมงามอธิกะลยานังคือฉินเป็นเบื้องตน้นฉินเป็นมาตรฐานฉินเป็นที่ตั้งฉินเป็นที่รักษาในเบื้องตน้นมัชเชกะลยานังงามนี่ทั้งกลางคือสัมมาธิ ตั้งจิตของตนได้รับผลแห่งความสุขความยินใจได้รับความสว่างความสวยใจอยู่เป็นสุขสำราญตลอดกันไปในชีวิตของตนอันนี้ลนะบุคคลผู้ที่เป็นหนทางไปสู่สวรรค์ปริโยสานกัลยานั่งงามในที่สุดกับปัญญา ละเว้นชิงความชัว่วใดๆในการเคลื่อนไหวในสารีละร่างกายประการใดไม่ให้สองของสกปรกเข้ามาให้เป็นสมบัติของจิตประการใดๆจิตมันถือบุญกับบาปทั้งสองนะร่างกายไม่ถืออะไรทำมัน จิตนี้แล้วร่างกายนี้บุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีอะไรทักอย่างไม่แต่มันพลุฟังเน่าเปือ่อยทับถมอยู่แผ่นดินนี่เ็าทางวัคลิงขลังเปรียบอุ ป, ปมาเหมือนท่อนไม้ท่อนกวยไม่มีชาระประการใดๆชวนจิตของเรานั่นเองเป็นผู้ถือความดีเป็นผู้ถือความชั่ว เมื่อจิต น, นั้นหนีออกไปจากร่างกายของตนบุญตกแต่งหนีออกไปจากร่างกายบาปตกแต่งมีทุนี้เองเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่รักษาความงามของตนในชีวิตวันเดียวนี้อันนั้นละบุคคลเป็นหนทางไปสู่สวรรค์บุคคลที่ตั้งจิตของตน ให้ได้รับความสว่างสวยอันนั้นเป็นหนทางไปสู่เมืองพรมแปลว่าเป็นองฌานจิตอยู่สำลานสวาใจไม่เกี่ยวข้องกับสาลิละร่างกายประการใดๆอันนั้นแปลว่าเมื่อเวลาร่างกายอันนี้ช้ำลดุดจิตกัวนี้ออกไปเนีเไปแล้วองฌานตกแต่งก็ไปเป็นกุบพรหมทันที นี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกบุกคคลที่จะมาเกิดในโลกบางคนนั้นบาปมากกว่าบุญระเกิดมาแล้วคุกคหร่างกายไม่ไม่สะอาดชุกกระปรกุกรลายการจนตลอดแข้งฝุดขาขาดหูหนวกตาบอดบ้าใบซิจิตที่ทุดกูดฉังอะไรทุกอย่างขาดตกบกพร่อง สับสินโทษของเงินทองปัญญาความคิดความอ่านประการใหญ่ ใ, ใอันนี้จะพเพลียกว่าบุคคลที่มาเกิดแต่พอจะได้เกิดแต่บากกรรมมันมากความดีมันน้อยบุคคลที่มาเกิดความดีมันมากมิจิตความสะอาดทุกไลกรในสาลีละร่างกายสัตว์ที่รษานทั้งหลาย มันมีจังทึ่งบาป ก, กรมทั้งนั้นขอบคุมตลอดเป็นนิดเมื่อเกิดมีชีวิตขึ้นมาก็ไม่รู้ภาะวะความดีและความชั่วบุญบาปโลกนี้โลกน้าประกันใดๆไดมิต้เรื่องกลัวความตายอยากกินวิ่งเต้นบนทุกข์ตลอดของตนตลอดต่อไปเช่นยามหนาวมามันมีผ้านุ่งห่มมากระลองให้เช่นหมาได้นีม ลองให้กันมันหนาวนกท่าายลองให้กันหนาวเมื่อแล้วไม่กลัวฮอนมนุษย์ไปอยู่เมืองเหนือแลดูออกพรรษาแล้วเขาดังไฟในบ้านของเขาสูงพระเนนกำลังสวดมนต์สาทยายอภปการใดนกแอนบินเข้ามาึนทูอย่างขนาดเลย จับเลนอยู่กับไกิ่งตอไฟเป็นหมู่สันนตกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเจ้าของบ้านเขาจะไปไล่มันชอบมันมาอย่างนี้ทุกวันทุกวันมันมาเสียงไฟคันแดดออกแล้วมันยังจะออกไปแล้วครับบเวลาสายไปแล้วแดดมันอุ่นบินออกไปหมดไล่ไปทั้งนั้นอันนี้เป็นแรกว่ามันบาปมันทุกข์มันมีท้ากบ มันหนาวบางตนวหวินเขามาตก๊ปั๊บลงเลยฉันพักๆๆๆๆๆๆทเจคอยจะเป็นจะปะเข้าไปใกล้ไฟยังค่อยมีแรงขึ้นมาเพราะโดยเหตุประการใดนะเร็นว่าบาปเกิดขึ้นมาบาปมันมาสวยความทุกข bon so ์อยู่จนตลอดไปมนุษย์ก็ไม่กลัวเลยตายเป็นตายยังเป็นยัง ความหนาวมันทุกขกว่าความกลัวตายบินเข้าไปไฟเนียเขาเต่าเขาดันไฟไว้ในบ้านเขาดันไ้ที่ในด้วยเหตุประการณ์ในก็คือความหนาวนั่นเองเขาชุมไฟแม่ในบ้านของเขาให้ไฟอบอุ่นปิดประตูหน้าต่างมดนิมนต์พระไปสวดมนต์มือเช่าปิดหมดละนัน่งะตรงหน้าต่างมัดเข้าใจละดันไปข้างใน ให้ไฟอบอุ่นเข้ามาเขาก็บินเข้ามาช่องบนหน้าต่างเบื้องต้นเอาเปิดให้มันบินเข้ามาเยวอะๆเปิดให้มันบินเข้ามามันก็บินเขาปุ๊บปุ๊บปจะหลอดเลยพอมันมดบินเข้ามาแล้วก็ปิดอ่ะอันนี้แหละพระเนกว่าเกิดมามันบาปการ ม, มันมากกว่า ความดีความดีมันน้อยหนึ่งพอได้ได้เกิดเป็นชีวิตคือเป็นสัตว์เดรัจฉานให้คิดดึงตัวของเราเป็นมนุษย์เป็นด้วยเหตุประการใดชีวิตนี้จะเพิ่มความดีหรือจะเพิ่มความชั่วให้ตัวเราคิดนึกจะรักษาความงามแล้วก็รักษาหรือจะเพิ่มความสุขสกให้คิดนึกให้ดีในตัวเจ้าของทุกคนอธิการยานางสาว นางงามในเบื้องต้นคือสินสินห้าสินแปดสินสิบ ส, น 8, ส, น 10, สินสองร้อยอยี่สิบเจ็ดตนของตนคิดอ่านรักษาให้แม่สกปลกมัชฌีคือทำกลางแปลวสั ม, มาทิจิตมีเมตาตาสัตวงหลายจิตตั้งใจอยู่เฉยๆเสมอได้รับความสงบความเยือเกเย็นไม่มีความกังวล เดิดร้อนเพราะการใดๆการกินอยู่ไม่สปกปรกการรับนอนไม่สปกปรกการเดินไปมาไม่สปกปรกเป็นคนผู้สะอาดเสมอจิตเป็นเทวาดาอยู่เสมอตลอดไปภายในใจของตนเมื่อจิตออกหนีจากร่างกายก็เกีวเป็นเทพเจ้าเกิดขึ้นทันทีในชีวิตของตน นี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านรักษาความงามของเจ้าของ <c oughs> ประยสาธ์ศนะักรยาหนางังงามนิสิตสุรปัญญาความสลาดละเว้นจริงความชั่วใดๆในใจของตนคิดอ่านรักษาเจ้าของตัวเราไม่รักษาใครจะรักษาให้เราตัวเราไม่ละเว้นใครจะละเว้นให้เรา ตนเรานั้นเองเพิ่มเติมความช่วและความดีเป็นมนุษย์แล้วไม่ใช่หรือไม่ใช่เราเป็นสัตว์หรือสัตว์เราควรคิดอ่านพิจารณาตัวเจ้าของทุกคนตนของตนจึงจะได้รับผลความดีบนเดี๋ยวนี้ร่างกายของเรามันชุกปกุกอะไรมันชุกปกุกใจชุกปกุกหน้าที่ก็ต้องหน้าลกเป็นที่ไปของตนหรือี่ให้คิดอ่านในดีของตน คำพูดว่าจะไปส ว, วานคำพูดว่จะไปนิพพานพูดได้ของไม่ได้เสีภาษีแต่ตนคงตนไม่ดําเนินตามถูกต้องธรรมะของปุธะประการใหญ่ ใ, น, ในี่ให้เราทุกคนคิดอ่านตัวอย่าของในชีวิตบันเดียวนี้ตนของตอนจึงจะได้รับผลแต่นี้ตจะไปนานเท่าไรจะตายคิดอ่านในดีถามตัวอย่าของมันไม่นานนะ ห้าสิบหกสิบตายเจ็ดสิบตายแปดสิบตายนานที่ชุดก็เอาสิบตายเท่านั้นเองเกิดขึ้นมาแล้วบุคคลที่เกิดรุ่นหลังของพวกเราก็ตายไปก่อนมีมากที่สุดเกิดก่อนเราตายไปก่อนมีมากที่สุดตายเท่ากันกับเราเกิดเท่ากันกับเราตายกันไปมีมากด้วยเหตุปัจจัยในความดีไม่ได้เพิ่มเพิ่มแต่ความชั่วเท่ากันเกิดมาแล้วเพิ่มความชั่วไม่ได้เกิดมาเพิ่มความดี มิจะหาความหาความโชป ก, กขใขยิตัวเจ็ของตลอดกันไปนี่ให้คิดอ่านพิจารณาตัวเจบของทุกคนกินอะไรก็คิดไปเยอะกินแล้วก็ตายอยู่ไม่เห็นว่ามันยั่งยืนเขาวอนประกันใหญ่ๆี่จะทำความุขปกให้ตนของตองนวันตกตกนรกแล้วนานแสนนานน่ะไม่ได้ม า, ง, าง่ายๆอยู่อย่างนั้นตลอดไป กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีกี่ล้านปีจึงได้มาเกิดในโลกอีกต่อไปภายข้างหน้าอันนี้ให้เราทุกคนอย่คิดอ่านละเวทความโชั่วใดๆในชีวิตของตนเพราะฉะนั้นให้เราคิดนึกในตัวเจ้าของตัวงเราคือใครคือใจนั่นเองให้นึกให้ดีพิจารณาให้ดีตัวเจ้าของความงามจะเกิดขึ้นกับจากใจความดีเกิดขึ้นกับจากใจ ความสว่างสวยี่เกิดขึ้นกับากใจปัญญาเเส่ยวชาญจะเกิดขึ้นกับอากใ จ, ญญ จ, กก จ, กใจอันทิ้งความชั่วไม่มาใกล้ก็ด้วยใจของตนละเว้นประการ ใ, ใดๆเพราะฉะนั้นที่อาตมาได้แสดงในอธิกรารยานางงามในเบื้องต้นคือสิงมัชเชกัลยานางงามในทิศชํามกลางคือตั้งใจเป็นสมาธิมีเมตตาอยู่ตลอดตั้งไป ปริโยสานะกายานังงามไม่ที่สุดก็คือปัญญารู้จักว่าตนของตนเป็นมนุษย์หน้าที่จะได้เกิดความดีตลอดกันไปที่อาตมาในแสดงให้ความงามพอสมควรกบประเวลาอีวังก็มีด้วยปกาละสนิยวัตถูชนวัตกูสิรลวัตถุเจสวาตถูปะวัตถู วนวัตตะกสุวัตตะโกหูตุสปะธาอายุวัตตะกาทนนวัตตะกาทิริวัตตะกาเจตวัตตะกาปรวัตตะกาวันวัตตะกาสุขวัตตะโกหูตุสปะธาอายุวันโนสุกังภะลา